เทิดแต่พระไทยเนี่ยหลวงพ่อชาวเรยนอย่อมจิตวิภักันเนะนักเทศนักฟังฟังเทศก็คือฟังใจเทศก็เอาใจเทิดฟเอาใจฟังปฏิบัติก็เอาใจผู้ปฏิบัติผัวปฏิบัติก็เอาใจผูปฏิบัติ ปิวัติวัติเกิดขึ้นทุกใจฟั่ ง, งใจมันทุกฟั่งทุกเฮียนใจผู้เฮียนมีคนมีคนโอเค ม, มีคนโอเคอยู่เมื่อหลงเมื่อกลวเมื่อหลงึ้นแต่บังคับเมื่ใจม เมื่อขีดเมื่อสมาธิเมื่ อ, อปัญญาเป็นเมื่องปฏิวัิใจท่านขีดพภะวานาเป็นพะนาพริวัิใจพริวัิใจให้จะชูความจเริ่มเรจะเขาสูพจน์พระจาก น, าน้นได้ตระชา ดิ้วเครื่องกล่งพ้นก้อนกำลังพ้นเครื่องตัดกำลังพ้นก้อนกำลังน้ำยำเลยนะแล้วที่ เ, เ, ส, เสียหลักก็ที่ยาหลักเยอะคือลักลักที่จับกำลังพ้นก้องกำลังเหรียญก็ไม่ใช่เขาคือตัดนะเนะเพราะเรื่งองไม่ได้จับหรบอกเขาเอาไม่วางไปต่อมาเนะาะ ก, ก็เนี่ย เอามมากเป็นปมาน่าส้างคาม้าสนะเอาหมู่มากที่มีสีมีทมนี่หมูหมากว่ามีสีม่ท่อก็เลเอาเป็นประมานะว่าให้มาออกเสียงได้แค่เราเอาหมูหมากเป็นประมาถ้าี่เอาหมูหมากเป็นประมานี่ตัวมันแห้งหลายตัวเอาเป็นประมานะไหนเขาพิารณาเพราเอาหมูหมากเป็นปมา เอาดิงาด้งปเป็นตัวมากอยางที่ค์ทับสอนพุทธศาสน า, สน า, สนานขับสอนพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคับสอนทั่วไโลกรรมเนีาา่วยว่าเป็นขสอน แ, แต่ไม่มาสอนแต่ประเทศไทยประเทศเดียวหรือประเทศอเดียททาามมาทเทา่านั้นจึงทรงพรน้าว่าัาเทวมนุษย์นั่งเป็นผู้สอนของเที่ยวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระพุทธศาสนาเป็นการบาทเป็นการเมืองเป็นการเทววิชชาเป็นการเทวดาเป็นการที่ทุกทสมัยในโลกบาทโตปุตตานเป็นที่พุทธโลกเป็นวัดเป็น ท, นอนทนของหมอนวดํานัทธิอืนอ่นๆผู้ขา่าวบวัให้จังเลยคืออกบางอย่างมวย ที่พกพ้องกั น, ก น, น, นรร ว, ก ว, วิธดดี่ ร, รกก็ไปดันเถินคำถิ่มคำสอนของพระเจ้าเราไปวอร์รอดน้อยบุจรนำไรไฟดับไังไปเยอะเรอเกิดม็อกามพ่อใหม่เหมือนมากเดียวนี้ถะาเจ้ามาตังศ า, า <c oughs> สนาอื่นๆไก่มัดล้ย แล้วู้สีกับเนต่างสาาอื่นเทียมแล้วู้มหาขยุกขกล่กับกดีเขามานี่เขาบกมาตั้งที่บแรกเพราะว่าบุตบอกอะไรอย่างเใช้กัต่างเถอนวามันบยิเวใจคนเราคนสัมาตั้งกัผ่นดิ่นดอนศาสนามันนรูปของใจคนเรอแตตั้งใช้สมารขอราแวใจแต่ละคนเรา ให้เป็นนกเป็นปลาวัดสรากับประเทศที่เบ็ <trades> เขาจะซีกัวนวัเ <orage> นี่มอยเร ไ, ไ่อวัดทะเอ๋อว่ า, าไหมใเป็นนก <infra? S 2> เป็นปลาที่วัดตากับปเที่เบ็ดตีเขี้ยวเขาจะตีกันวัดทเลวางวัเพอมื อ, อ, อนี่กันพอซ่านี่กันพอวัดพอว่าอะไรกันพอบ้านพอเมื่ออกัน เห็นแค่กระเป๋าต่อเราปล่อ่าลอดเอกดไม้กดมูอกดพับกดทวบทำยังไงมันก็ยู่ในหนังสือบนนี้บนยังไงไมใจคนเห็นแค่กระเป๋าจะคล้องเรปล่อยว่าหลอดเอาหลอดขักขักนี่แหละเออมองสันเอาหลดว่าว่าจะพวกุ้งฟองเหตุตลอดทุยุคยามาตลตลอดกพวัดแม่วัดเก่าถนัดพ้านแม่เงื่อนเก่ถนัดเอ ผู้ลงเียนมู่นอะไรเศรษฐศาตรบ้านเมืองมูน้นองพรผพุทธเจ้าสอนเป็นที่เพิงของโลกหอนมดดามดแดงเนีกยแล้วเป็นที่เพิงของโลกก็ห่อนมดดามดแดงอยู่ไหนจังหวะนั่นวัดังเทปว่า่งไเป็นเพิงเพิงไงนเพื่อจะสอนว่ยไปขาวมันเนี่ถงได้แบบลอกสั่นหลอน ถ้าเราอัดใส่จังอันการพกข้องใครจะพกข้องไปได้ไรก็ไปเถอะคำามาปีนคํสาสอนในพระเจ้าไปตลอดอย่นงนี้ น, นั่งไปในเอกาสารสมาสมาธิไปทั้งใกสารเลยสมาธิหาขนมคำว่าสมาธิวางเพือผลทุกในวัฏสงสารเน่ยมึงไปนันเป็นโรคยาสมาธิของเก่าเขาน่าไปจากในลาบไดียยศมันก็เป็นโรคทยาสมาธิของเ ก, าาาา ก, เก่า ือว่าพุทโทพุท่โทรคจีนถะือว่าธโมะกับธโมะโรคจีนหงพสั์อาหบว่าถือว่า ท, าทนะาาาาั้งโคกอบทโครโรคจีนฉะั้ว่าเพื่อคนทุกข์ในวาทัสงสามนี่พระคุณพระธรรมพระสงฆ์คำสอนของพระองค์เก้านี่จงสัตว์ทั้งหลายออกจากวาทังสานอนขันยักโรคยัสคือข้ ย, อยุ้งันักวู่ก้าวน้ามันใส่ใส่สิ่ที่เดเล็คือชีเดผ้ดาคือชีเดรับคือชีเดรหัเ อ, อ๋อเดินจนคมจน ข้างบนห้องเพียงแอวใคเดินขัาห้อบออัศะเอาบอกอัศยุทธบว่าอัศะกรรมในอัศยงกธิ์ทุวันไปว่ารอกผู้เจ ต, ตนาคนทุกนาวตัตรสงสารมันเป็นเจตนาเล็กแล้วจิดเขาเป็นทั้งท่นเอ แ้าถ้าไปเบียดเบียนเขาแล้วกระเดียขึ้นลวดเมื่อไรเพราะเกียรตหน้าเขาไปาแล้วก็โตเลยเด่นทัดตระเรงแม่งตัวนายมากัดกระบาบหลายบอกันมานาุ่งหินมุ่นกัดฟูเขาไม่เกียรหน้าจะคนพูเดี้ยไหนบอกอนวมา พุทธศาสนาบองวนทุกนาวัตรทหารมันกิาแล้วไม่เห็นมันแต่ยังอ่อนอยู่ก็สราคาขอสราขาเนีเย 1, เ, ย 2, เ, ย 3, เย 4, ล 5, เ็บหนึ่งเล็บสองเล็บสามเลสี่เล็บ้าอ่างก็สองสองหสองเปร็น 4. ต์กอสมันสูงแล้วเฮสมาให้มันเทียนตกอตะกอยอะมากก็ไม่พอใจเทียนแล้วก็วมันสิเทียนอ่าหมด ถ้ำหมดเดียวกันคว่ย่งัผิดกันพุทโธคว่เดียวนะคว่ย่งพุทโธมันถังผิดกันนโมคว่เดียวฮะคว่ย่างเลยนโมมันถังผิดกันสามโคคว่ำเดียวเราคว่ำย่างเลยสางโคมันถังผิดกัน ลมหายใจเขาออกกานเดียวนำมนำความยังในลมหายใจเขา อ, ออกมันทำิดกันสติใช้การในเท่ากันสำหรับฉันนะความรู้สวนสติของผู้เจ็บสูงใจสูงมันมีคนาบบนี้คาให้สำรับอสัญนักมวยเขาก็มีสติเท่กันจว่านี้ตีมาถ้ากุจิรุสตีตีาที่สุจิรุสตีกันสมมาวารุคุตลาสั้งสติบรรย่าเขาก็ไมีเท่กัน พ่อเอกสอกรับับรับพ่อออกคอรับกรับพ่อลบกับลบพ่อสอดเั้หลังกับลัางพ่อขออะ่รเนี่ยพ่อส้นกับส้นพ่อขออะไกับปั่นแง่ทั้งหลาอมุ่นแต่ว่าเสียโรคสี้สั่งแต่พ่อพี่เจ้าน่าพ่อสมัยนี้จไว่าพ่อหน้าร่วงพันใจออคือกับพ่อหน้าพุทธพืทธคันกับพ่อหน้าอนนี้จังทุกขังอนาาขใหกันแต่คือกันเนี่ยกว้างยบคายมันคือกันอยู่อะไรกันอกับพ่อหน้าขนเนี่ยฟันนังเนื้เอ็นกระดูกเอ่ากัน กูก็เดินในกรุงทุกงานเลยกูก็เดินได้เวลาเท่านั้นทนี้คือกันาเพราะวปัญญามันเห็นกันนีแหละว่านี่แหละท่กูก็นั่งได้ที่กันหอยมือสอเพราะว่านั่งแนวอ่งมันนั่งเสพปีายเปก้อนนี่นัจ้าฝนเจียดเดี่ยวหกขายนม้วนออกนี่มันคืนยี้ก็จะตีปัญญาอยู่มอนกัน่าทาบทเดียวกัน ผู้คิตสูงกาแฟไปสูงผู้คิด ต, ตั้มกาแฟไปตั้มผู้จิดเล่้ยงเลียเลียงผ้ากาแฟไปหาเลียงผ้าเห็นบังนโมพัดโมกขาลาบอกอ๋ให้แม่แม่เลยสามารส้นนี่เลยนะว่าบังนโมไอ้ว่านโมอัสสันเนอะเห็นบังนโมเบาๆไวปบอกเปลือกเบาๆื่อข่าร้อบังหาจะตับเจ็บอนมันแน่ ถ้าหมดเดียวกันนะมีคุณนคาต่างกันพุทธทุกันเดียวก็มีคุ้นคาต่างกันต้องขืนยู่กศรษตีปัญญาเขาตายเขามันตีข้หมายหมดตีข้หมายเี่ยค่าสูงกับมีค่าสูงเนี่นตีข้หมายปค่าต่ามักนกระตำเนี่ยตีข้หมายเป็นโรคขี้ก็เป็นก็เป็นโรคขี้นะคิดตแต่หัพมุตราธรมองมัน เ, เป็นน้ำหอดถ้าพมุตราชธรรมขจงมันเป็นเป็นไปเป็นโรคขีน้ำคิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าพองพราชธจ้าเป็นโรคอุตรละตามเดิมอยู่เต็มพู่มอยู่ ตึ้งหล่อมลอดวัาทีา่มาเป็นโลกีน้ำผู้ไหนเนี่ยยึดจาของเป็นโลกีตั้งหางว่าเรื่องไรทำทั้งหลายบด้มารเป็นโลกีน้ำเนี่ยทำคาสอนขรงพุทธศาสนาเป็นโลกุตรละเต็มพู่มทั้งนั้นทาเบื้องต้นชูปฏิปันโนของพระพุทธศาสนาทาเบื้องเต็มพุ่มก็อัลฮัโตัก็มาถังพุทธา เพระว่าจะมาเป็นโรคขี้น้ำก้นเนีตัวเป็นโรคขี้ไปดึงถ้ำพราะพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นโรคขี้น้ำน้ำตัตก็ถือโรคขี้มันก็มีแค่ศาสนาอื่นะเป็นโรคขี้องการอรว่าพุทธเจ้าสอนเมื่อไหร่สอนโลกตัวโลวุมอวดดีก็ตั้งรับที่นั่นก็ตั้งรับที่นี่ไปแช่พระพุทธศาสนาคือห้ยละเขาหักฐานือออกเสมอ คืเรียกกระปนั่ลัทินี่ลัินี่มันดีจงัมันดีจรงแต่จังหวะพระพุทธเจ้าสอ น, นพระพแห้งก็ตอสอนใจหลวพ่อคขั้ระหว่าพระพุทธเจ้าสอนพอแหงเทว้วุฒเท้าหพระพุทธเจ้าสอนพอแหงจั ง, จ อ, งอาบรบูรทั้งเบื้องตน้นเบื้องกลางนะมทัทเอธิการญานั่งมทัทเขสญานั่งปริสย่าณั่งญาณั่งนะี่นั่งลัทธิน่ยลัทินี่ โอ้ยเหลือขึ้นขาดสิออกังนอนหอามั่เปลี่ยงบ่นจื้อๆอยู่หอบพวกขึ้นยินดีนั่งนักที่นั่นนักที่นี่อันเศร้าโรกทั้งหลายมันสิบวมันสิบว่าว่างเอาไว้ยมกซะ่ะแต่มันจะจ้างมันกลับ่าจะเลื่อนเร้าโลกทั้งหลายอ่ะเออมันจะมาเหตุเครื่องขาดเคืงแกงกระสันขันแกงอันนีเสียโอ้ยเลื่อนเถืดอ มันแห้งเพิ่มเลยผู้นี้น่ายลแห้งเพิ่มเลยผู้นี้จะพะพ่วมหลอกสัตนรวดว่าโอ้ยกูก็พราะว่าใจโหดดีเสียตาอรวดเนี่ยรวดตำแหน่งก็กพ้องแบบได้ก็ไปล่อย้าปากกินทั้งมือห น, นุ่มอันนี้จะใช้กระเป๋าอูอันี้จะใช้กระเป๋าหู สั่นีกกน่ก็เทปูปูสั่นนีมม่มือมือกันยุ่มพอนิ้มือปากกันยุมย่มพอปากฝากกันข้ามมือกันุ่มหัวมันไปแไ่รอถ้ากิเลสบวลดละนอนเนาะและ้วจะนำวัตถุนิยมแข่งกันนี่อันเนาะกิเลสบวลดละเลยกิเลสบวมีเลยว่าจะกูชนะมึงว่าจะกูได้ดีว่าจะกูได้มัดหนึ่งกรมึงมึงตายก้อนปูวินาทีนึนกนงกระากทีเดี มึงตายไม่มือเดียวมึงที่หลังมึองม อ, ย อ, อ, ยอมมายาหัวมึงเียร์โ้ยฮอดอ้อน่จฮอดบอกมาเธอได้ฮองเบื่อไนรุกเบื่อไนอ้ายฮ้าวจะพออีพอขดทางมาแล้วนี่คดโกดีอะไรล่สันมันหนึงซัดออกจากวัดตาสนการมีพอขุดมีพอทัามีพอส่ง เอารัทธินะัทธิมาพาท่านขันแขงกันในวัฏตาทรสวรรค์ามสอนพระพุทธเจ้าตาแตกบูมงินหมสอนทั้งโลกสอนทั้งธรรมตัวสอนทังเจ้าพราชนะหตาแตกบูมเงินหมเฉียกันกินที่แตกนี่ยังทั้งนอกแล้วแด้วมันจเป็นเศียรน้าต่อชิ้นหาเปีรังจังห่ะรักษาเนี่ยแล้วมันจเป็นเสียรน้ำต่อพระพุทธธรมากาศไปครั้งจังห่ะรักษาตั้งคนยินที่แตกนียังบกกว่านี้แล้ว บอกแค่นาหอดจอหน้าไอ้คนห้องตายเป็นตายห้องแว่าต่างกูแท่นนเนี่ยในเงืนเขาสามแต่ต่างกนงเงื่อนเขาสิบบาทส้าวาา่าเาจากเขามากินตั๊กสิบปวดตูแต่ส่งเสริมแต่ส่งเสริมคนมเป็นถ้ํปเป็นผู้เป็นถ้าของโมร่วงเสริม เอานกไปหาเอานกนกเขา่าไปหาเอากามาลักลูกเจ้าของอากามาเป็นนายว่าแทคผู้ไหนมีวัตถุนิยมผัวดันตอกเก่งกวงวงูงูหลดผู้หงพัดเีบบาเบาวที่เรียนวิละนายชอบเป็นฝาเป็นยินก็บาเบาว้ย ในใจรท่าตมันก็มีแต่รอยทะเลทุกข์ทั พ, พ่ระภูิเจ้าคนเรุกขี้ตีตีต้แต่ภูหย่อยรับไปหลวงพ่อภูษิเจ้าเราตรงเสริ ม, มนักเกียรลวงเราต้องเสริมต้องมาดึงออกชนส้างบานี่กรดกกเดียบใส่กระซับแฉะมาฟังกันบ้านี่กระดกรราารกรดกเดียบนอนดินกินยาชาหมูห้องอีนั่งกิน้องเพิ่นเียน้องเพิ่นนอกตัมมือมุนิร่าของเพิ่นวัดมุนิมุนิ อันพวกเรียนเลขเรียนทาเรียนมัเรยนเบอร์เน yes. oh yeah. ี่ยงว่าท่นเห็นโทษกำมกมุนี้หน้าว่าท่าตีโลโก้ทาหลบเป็นไปตามกรรมนี้คือว่าจังนี้ทั้งนั้นมันเห็นโทษทั้งไหนผมมันเห็นหงงเพาะตาบอดจึไปได้ขามาสนเขีมมันสืสวนไดผมมึงไย้อนัว่าสนเข็มว่าท่นกผู้บอกคนที่เป็นพี้บาผู้เกียจในเขานที่เป็นพี้บาสนี่คือสิบสวนอะไรกันนต่ผมมันตาบอด ผู้ตายดีนะสิมาเห็นจะให้มารับตาส้นเข็มหรืว่ารับแหล่พวกนี้ว่าผีบอกคาสอนในใจโลกทานนะน่ยมันสิลือนคำสอนผู้ที Self ่เจ้าไปมมีหรมันครบวัดะสอนาวากครบวัดนะมุ้ยนบกกองสอนเที่ววเทวาครบวัดสิปฏิวัติหรือสิบัปฏิวัตินนันเดียวเนี่ยสสงสัยบือสีเศร้าสงสัยบือสีเศร้ากนันเดียวเนี่ยของสันว่า ที่ตั้งนาเขา้าเราพอพุทธพัฒน์ระสงฆรือไม่ที่ตั้งนาปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเรื่องเดียวเนี่ยว่าเั็นรืองฝังรักที่นั่นรักที่นี่เดี๋ยวยิ่งใส่เสื้อมแม่ควรอินไหวแม่นั่นแม่นี่น ม, นมาโอ้ยแม่ได้ตายยาวหัวมันถเถเดว่าคือเขพระเจ้าบ้านเนาะสันทาวางส่แม่ควรอินแบบแม่นั่นแม่นี่มาสัน้นแม่ควรข้าต้มขนม หวพ่อก็จะหาเชี่วแกกบแค้ไในสันนุยกแค่นรันแล้วนี่มกันเขากรอยู่ในสันนั่นแล้วก็ไม่น่าที่พระติเทพท่านถือว่าให้เกียรติให้ยอดพระในนีมันกีกับว่าถือถ้าผู้คุ้ให้เกียรติให้ยอดกัให้ได้กับ่อแรื่อปติฆ่าโลกันบิดเน้นว่าพระเรียนสาวก็เทวปิเดียดโลกมันเกี่ยเม่อนี้ผู้ิเรียนก็มีอยู่สร้างว่าวหรือไปว่าออเท่ผู้ัวมาไซ ผู้ดีก็มีอยู่ท้องปล่อยคันว่าดีเพราะจะสืบศาสนามาไรก่อนนี่ว่ากันเห็นพันเอก่อนเป็นแค่ธรรมทีว่าเป็นเมดผู้ดีมันก็มีอยู่นี่คนขั้นศาอ้ยกูไปสากูก็บอเป็นกางเหลี่ยมสายเอาพุทธศาสนาพวกนั้นก็เป็นทั้งสัตวพวกนี้ก็เป็นทั้งเกศเพราะเพราะว่าพ่กเหลี่ยมสเอาพุทธศาสนาโตพวกเหลี่ยมสายโตดีคาว่าเหลี่ยมสายเพื่อจะเหลี่ยมสาขอวัดจะของกี้สั่ง โตเรเรยว่าถือพระพุทธศาสนาสิว่าโตเห็นทรรมยังไงเปเครื่องอุ่นใจบอกข้อมเห็นหน้าตัวย so ังไงเขาเหมีนน้า yes, ต the ัวน่งสัตวโตว่าเหลี่ยมใส่ผู้อื่นซะต่โตเขาเรียกว่ปฏิบัติเจ้าของโตเกาเรยบว่าวยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โตเขาเรยก่ปฏิบัติไรบยกว่าภาวนาเลยบว่มีธานเลยบ่มีศีลเรยบ่มีภาวนาโตว่าโตเห็นทรรมันนี้อนบ่หะเนี่ยมันโมเอนทีละชาอีทานเออแหงงงเขาสะพั่นเท่าเปลี่ยนใส่ผู้อ่นจะเียกใส่ภาวัแต่ขอเมื่อกี นั่นแต่ว่าตัวดีพื้นเาหันใจตรงแต่ว่าหันบาสั่พื้นเพราะกินเขากูก็่ว่ากินหัมันละแต่ว่าทนบอกอืมพื้นเอาบนามื้นเพาอาบามกูก็่่าอาบหัวมันละแตว่าท่นบอกนั่นพื้าทําดีกูก็่่ทําดีหัวมันละแต่ว่าแต่ว่าตัวเห็นทํามดแลนี่ก็เห็นนึ่สั่นิตสนิปเป็นเป็นที่อุ่นใจจากของหมดล้วมันก็เป็นที่อุ่นใจจากของสึงขั้บอก คือละทีต่างๆก็ดีตัวต่างๆนั่นของชักเหคุณน่าเพราะคุณพระธรรมประสงค์เอไ้่อักรังเนี่ยื้อืออยู่วัดใดรกระานนึ่กีย่ยอด่ไหว่า ต, า, มม า, ตายต่อพุทพระธรรมาสตายต่อผู้เดีนนยวนี่นือว่าไนลูป่ามันจะไปเสียไรเลยพูดด่อนมาเป่าหัวฉัได้รบกนเงีอยู่พวเป็นอาหอา จบจ็ดสมมนี้แต่อพูพระรรมพสง์เขาใจพอพูพระธรมพระสงฆ์นี้่ฝ่าหรือ่เขาเ้าใจาพพรธรมสง์นี่ไตรปิกขุนก็เดียวว่าสิเันอันนี้เป็นไตรปิฎกเดียวเรื่องหัวใจเอาหัวใจทีเป็นไตรปิฎกมาญุ่นมาเอือนมาพระโอ์เจ้าตัดทะลุญุ่นเมื่อพระราชนิชวม่าสรเกตเมื่อกับฝายยังบดน้านอ่มานี้กาตัดสะุนี่เมื่อไงเนี่รักษาสิ่ก็รักษาอยู่ใจนี่แหลสร้างอ่อเมื่อไงนี่แหละ ตั tunes, ้งสมาธิกับต่างมันงี้ในเมืองไก่ต่างคนายเอบรู้อยู่ในเมืองเนี่ยเกยนลงมานีระบอืมระยนลงมาจะเ่าเราจเศ้าจะหมอนนั่นาจกล้วยขุนเศ้าไงทั้งนาขุนนก่เห็นเน่อันนี้กระไคออันนี้กระกอันนี้กรข้ออันนี้ไรลกตึกปลาบุมงเห่เฮ่ตึกป่าบุมงเฮ่งอมไป่อมันแหละเศ้าเรียอยู่บัดมือก็เลยพอตู วานเหีนดีๆจะเลียบตีได้สัักข้อโป๊ะเชฟองนี่นี่นี่น่่สร้างโง่โง่สันเหาอเหาะงามเราทั้งโลกใจเถิงทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระขาดทุนใจเถิงทั้งอื่นะขาดขาดขาดทุนก็ตกักขาดทุนสูนกำไร ใจถึงทั้งมาพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ขาดทุนถือว่าคาสอนนนอื่นมันเหนือคำสอนมาพุทธเจ้าประยุนมันกับบลลกแล้วทาหอหอให้ฟังน้อมันเขาจะอัดงหุ่นน่สีนีสีนิ่สีฮุเียวกเชียวกเกับว่ากันแล้วเขาก็บมันพราว่าหรือว่า ศาสนาเอื่นเฉมาฮอศาสนาพุทธโว้ยเฉมาถือศาสนาอื่นประสดศาสนาพุทธสีรษะเสงศาสนาพุทธเพิ่นเพิ่นสีเดียดห่อนนะพ่อไก่เจ้าพ่อสาวทูพ่อเนี่ยพ่ายพระลหัสมร้ายพ่อสาวทูพ่อนี่พ่ายมีใจจับฟ้องจิตขาบคุณนองหมกคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เต็มโลกไปหลกงาน เปิดเบื้ไหกับไม่ยง่ไหนเร่ของเกา่าของเก่ามันของไม่เพราะไม่แง่เศราจเือเปิดเบืงเปิดเอาปัญญาเปิดวันจีเอาตานนอกๆนี่เปิดเอาสติปัญญาเปิดนะว่ามากรรมฐานเนี่ยให้เจริญเขาคอยมกันพระนิพพานมนลสกสองเท่าเพื่อพระ น, นิพพานพุโทโธพุทโธเพื่อพระ น, นิพพานาโยมม่อลกมะโกลมาลง มาแล้มห้ใจเขาเพื่อว่าสิบว่มาหาใจเขาออกอีกว่าพราะสิเสื่อแล้งับโลกฝนล้งคือกันพี่ก็น่าห้างกระดูกเพื่อว่าสิบว่มาสร้างห้างกระดูกอีกหรว่างไหนพี่นังกับบเพื่อว่าสิบว่อยากมาสร้างนั่งพี่ก็น่าดินหนาแพรลมกบว่าสิมาเป็นคี้าห้องเดินหองนาของก้วยหองลมนี่เพื่อพี่ก็น่ามันเบือมานในคือโอ้เอว่า ยินดีต่อพันุ์พานมันเดียวปัญหามันก็ไม่ห้ายแล้วยินดีในอันอื่นไปยังไงยินดีในอันอื่นเพราะถือว่าอันอื่นมันเป็นของหมนของเทียงแล้วก็จะยินดีนั่มพ่อใส่พ่อสอยเมือนว่าตอน้ครว่าในไต้ลกทาี่เพราวาเพ่อไส่พ่อสอยเลยนอกจากพันธุ์พันธุเดียวทำกระดิ่งน้ตัวไก่ทอมพวมลูกกพ่อไส่พ่อซอยสวนกัพ่อไส่พสอซอยมาลูกสมบัติกับพ่อไส่พ่อซอย มันเกิดของกระติบคือมันกรติบคือมันพ่อใส่พ่อยสเงาลิ้นแ่ตัวที่มันตีมันถนาดว่ามันมีรักอันนี้การทุกขังอนัตตามันโมบันโมเทียงเส่อภาคมันนาของไฟอมัดแล้วมันเปนของผู้ใดแล้วเหตจากไหนมันจังสิวได้ในเิีในใจอันนี้ในปัญญาอันนี้ในสติอันนี้มันกรเลเิดเฟืงดึงนี้ขามนี้เลยห่ะขามเลยสติ มันเนี่ยความสูงไปก่อนเนี้แก้ควมหลงจะของสวาับถึงเดี่ยวเลยแล้วมันแก้เองมันทํำลาเองมันมันทําลายอาวุธข้ากัญหาอุปทานกัญหาที่มันถือถยอที่ญาณวัฏสงสารอุปทามันถือถือมันให้หลกในวัฏสงสารกรรมันถิอเที่ยวมากสดแก้แค่ตายู่ในวัฏสงสารมันก็บว่าแล้ว มันเห็นผักอะไมันเห็นแบบผ้าพันหนามันใช่จะมาตั่วมันไรเอามาตั่ว้ในัาหลวงศาลนั่นวัดคนนี้อมันอันนั่นเพียงเอาเอามามงรู้อ๋น่งหยังสหยั่งสาหยั่อ๋อมาตั่วใช่ไ่ไมาตัวเอนึ่หยังอหยั่งาหยังนี่มันมันมันเพียงในวัดาลหงศานี่ึงหยั่งองหยั่งสามหยังอ๋อ เหตุมันเหตเพื่อรกัพอห้ายผีซื้อได้นิเั้นมันมันสำคัญไหนหนมองเห็ว่าหนึ่งางสองหางสามางเอามวิ่งนั่นวิ่งสงบก็สงบยุ่งได้ลูกแซวก็แซวยุ่งไดลูกพอไน้านมาได้ ม, มาหยาสงบนำมาได้ ม, มายาแซวนำ บ่ได้มานื้อมาคิดว่าได้มายืนมาเดินมานั่งมานอนมานื้มาสิดนั่มว่ได้มาดีมาตัวนั่มว่ได้มารับสุปรับทุกรับอุเบกขาและมูห่อเขาเมื่อแต่วาตาสงขาเนี่ยนะเอาซุปทุกอุเบกขามาอวดกันนเลยเพราะในาคเราได้เอายังมาอวดว่ได้ว่าอวดเขียงว่าได้มาอวดกลบว่ได้มาอวดยืนอวดนั่งอวดนอนว่าได้มาอวดซุปอวดทุปอวดอุเบกขาสั่ กระส่านขันแข่งกันเดีวในวัดจ้าต้องสามนี่ยของีะกองทุกเนี่ยอท่านเอาหลอดว่านาครถตั้งเลหรือเลหลือใหม่ชินร้ายใหญชินน้อยเออนี่หละมียรถนี่น้าเสิญนี่นั่นเกเป็นข้าแพ่นเินกับนี้รถไตรถกรพาแต่มาอวดกันเนียอ๋วัก็วัก่อทกกันวัดข้อมอบันดเทียม ของโมมันว่าเทียงโตลงอะไรกับบากับบ่าอวดกันกับเด็กกัล่มมาอวดกันกับนังจุกัวมาอวดกันแ้อะไรต่างๆสวสิงกับทักสียงอร่างี้ ตัวสมาที่กระตังมังก็นีตัวปัญญาของพี่ยังน้อนิดว่าท่นจ้างก็บกว่าเนี่สีเบื่ อ, อนายไข่เมาความหลงจากของนี่จะว่ากุละกุละยังทำยันี่จะว่าปูป่คุณน่ง อ, อสีคนหนึงจังหวะหอเชี่ยวนเชี่ยวอวไรนึว่าบวานนี่มันไผยจะตูกเกงกูมัวเนี่ยเนี่ยคนนี้บ่เมียง ว่าหวชียร์พ no no no ่อเร์ล่ะหล่อผู้ใดยิ่งสร้างผู้ใดยิ่งกระเบื้องหูเราล่ะโนแมนโนแมนทีนันไทยทำโก็ปูผค้อยชีผู้นั้นน้อยเชียงมันมาจากบ่อกนอันนี้มันผำดูพ่อเกีงผนสุเก่งออกจากนอกโลกนอกอ่าตาทังสามเลยแล้วก็หน้าข้าข้านี่ยหน้าข้านี่ยอรหารมูอเข้าเก่งเก่งข้าขอดเร่งขอดไได้ ในวัตถุสงสาเนี่บริบทเนียงอย่างนี้ดิยูรุนอะไรแห้งเพื่อควบบวนายข่าเมาในวัตาสุสงสารแห้งเห็นเนี่ยวหมหวานวาเทียงแห้งเห็นจะก่องทุกข์กับตัวมันจางเงียงคนมีปัญญา เพื่นน้ำหลังเขาน้มีแนวจะพื้นได้มัดเข่าปันดึงขาเต้ายกแมนหรืออยินว่นกเกิดเพื่อสัตเบื้อแหลงยแขน ไหนเงี้ย่าแก่กับเบื่อพ่อ่ไหนมงี้ย่าเก็บกับเบื่อพ่อมไนเงี้ย่าตายกับเบื่อพ้อมอันนี้ห้องได้หลายๆแล้วมันสียเสียคือห้องจะเกิดย่างเต็มที่น่ะเ้องกับแก่อย่างเต็ทีเห้องเก็บย่างเต็มที่ห้อกับตายย่างเันที่นี่นะถ้องกินย่างเต็มทีเตยมท่องห้องกับขี่ย่างเต็มที่เนี่ยครับอ่าเนีนะ แล้วมันย่อมห่อวะ่ะธาตุดินเท่ากินเข้าใแ้ดินแล้วเพราอันนี้มันธาตุดินเท่าตายไปกับตายไปดินมันม้นวนแง่ๆคือว่าเป็นบอยห่าจะแนวไดว้นี่จะห่าเป็นบอยคลุมหลงเ่อได้ถูกไหมวัองกันว่าดินมันกับว่ายอมมากเป็นสมบัฐฐติพัฒนาเลยแตกออกไปเนี่มันองเกิเป็นดินเท่ากันแล้วตะกอนราดล่างกายเป็นหน้าเป็นไข่เป็นร่วงพื้กันมันบพรว่าถึงว่ า, าย่อมมาเป็นสมบัติพัมนาที่ตลาดได้วัองกังวร น า, าคิดตลาดมันเป็นบ้ า, ดดยาอยูู่้เดียวาวางพยายขขามคิดต ล, ลาดเพรากีเสุดใพรแหงน่ยใันพหันเพแหงล่ะพันานัาเหลาเวลึกมัมีเวลาฝึกไอ้ตกเดี๋ยวาฝึกได้ันเพานันกำลังหันี่้อยอกขอหัว เอาับหัวย่สมุติอยู่ศับ ห, หัวลงไฮแลนด์โลกฝุ่นเขียบุ่นก็นมี้ับหัวฮแลนด์ไปญี่ปุ่นฝุจจ่นก็มิ้นเเรียบยิพอสิเมียพอเมียอย่างมากครับเก็บป่วยมากครับพูดสุตกวักดีดีไทยเงี้ยเขาว่าวมีฮแลนดน้กิเลศวัตกิเลศต้องขับไป ครับลงกรุงเทพครับไปญี่ปุ่นครับไปทัวทิพย์แหลงพ่อแม่ตายถาวรตหนึ่งก็บพระด้ไระสัตยง้เดี๋ยวคุณถวาวรวุ้งนี่คืณนอนว่ตถไปประเทศอื่นไปหาเงินประเทศอื่นเสียมาเหียวพอเรียงแม่ถ้ามาศาสตร์เอานีมาใส่พอใช่แม่ มันพอถือพอเห็นพอได้หามมาจะเือียพอาไปเสียหน้ามากเสียเมี่ยเมื่อเรียนสูตรามาคุณพ่เอาไปเรียนสูตรเน่ยเจ้ามาหันวันเนี่ยเอาไปเรียนไทยวันกรรมี่เนี่ ย, ยเอาไปซื้อไปซื้อ เ, เรียกวัดกรมี่ เนี่เอาไปให้สู้วัดก็บมี่ผู้ดีเอดีจะพยายามทิปคนอย่างนึงเขาวงาะคนว่าะสงสารอรตลอดเจ้าหุ่นเคียงกำลัอันไหนมันดีในวาระท้องศาลาเนี่ยนอกจากว่าพุทธธรรมพระสงฆ์ระบุมีแนวดีเลยมีหน้ามึงรูมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆหลอหิวแขนเนี่ยเสมอนี่ ไม่ไม่ไม่คนหิวยามยานยาม อ, อยู่คาสอนใจรวัณะบาลเนี่ยพระองค์เจ้ากำแขมเนี่ยาม่ไห่มว่าช้างฟืดที่ฮะเนี่ยฟืดบุมบ่มบัมบ่มบุ่มบัอมฟืดไปเ ป, ไป็ น, นไปที่พวกเขาที่มือเจ๊งโอ้โหท่คุณเขาพวกมือเจ๊งคนบอ ก, ว, อกว่าให้เรีนเรนะยนภาษาภาษาไปเรฟืดไปที่พว้เขาพวกเจ๊งจะหายหมดบุตรเป็นห่าฟืด โลภค่ายในคือนังหุ่นยูหยรอๆโลภค่ายนอกคือบุคคลอืนอ่นสัตวอื่นที่มีวมิญญาณ้องเสียงบางมันมีวิญญาณก้องเสียงบางมันในบ่เมีหลายเลยมันเมียหน่อยอย่างนึงจอมเขามาเนี่ยสองกันนั่งกันเถิดสฟ้างกันในเบิ้งดินฝ่ายในหรือเบิ้งดินฝ่ายนอกอันเดียวกัน เบื morning, ้องข้มองมาโนที่ย้งผ้าได้เบื้องข้มองมาโนที่ย้งผ้าออกสมว่าการเที่ยงาของไฟก็มีการเที่ยง่านั้นอดีตก็ไม่ยังกองทุกที่ร้องมาแล้วะพกองทุกที่ท่านมาถึงปัจจุบันกองทุกที่กำลังจะยูอดีตก็ไม่ยังต่ยิ่งตยตใจที่ร้องไปแล้วขะพก็ตายจงายใจที่ท่านมาถึง ปัจจบันกระต่งส er, ์สูั้นั่นวบเาห่างอันเดียดไปนนรถปวดสภามารุ่งจีลองก็แล้วอพกลูกหยั่งจีนรถปดสภาธรรมาร่งจีเราธรรมาถึงปัจจุบันกระลูกหยั่งจีนรถปวดสภาธรรมาร่งจขาต่ดูนอัเดีต่ลูกทุเบาจีลองก็แล้วอาความหุูเามาถัจจุบันทุกภูเเาูแ ขอเกาซรำเกาอะ่ะซึ่คือมากซ้ำเกาอะไรตาเนื้อเกาเนี่ยแต่เลี้ยบเบิ้งหนุ่ยน้ำขื่นตรงต้องสนใจซ้ำเกาหูอันเกาเนี่ยตรงต้องใจซ้ำเกาหความเสียงยิงลมนต็มก็ตงต้องสนใจข้อเกาอย่างนี้มั็นจะตรงเนี่ยตรงนี้เป็นงานเกาทช่ไหมผมไ่ได้ว่าเป็นงานไม้ฮะเราควรร้องคำ่าอ่ะ สิ่งสมาธิปัญญาทีสมรักษ์ตรงนี้เาะันของเกา่าหของใหม่มาเป็นสิ่งสมาธิปัญญาของเก่าครับมักควรนึดพ่านกับแม้ของเก่าครับหรของใหม่บาปบุญพุนโทดกับแม้ของเก่าค่ับแล้วของเก่าทุกคนละนี่ของเกา่า Japanese, ก, า ค, นนกาคนละคืออยัางคือบาปของของเก่าทุกคนจะเรือง้ย่างคือบุญของเก่าทุกคนละคื อ, อยัางคือกรรเท่อเที่ยวในวนตาสงสาร ของเก่าที่ควนเจริคือยังการมาท่องเที่ยวใวัาต ร, รงาสงสารคือพัิพาพาพนันธานกับถึของเก่าเื่กันอยว่าง น, น, น, น, นีนะฝนตกขี่มาไหลค้นฉ่างไรมาหวมโลกอันนี้น่สมัยนี้นมัยซุกเอาเข้ากินข่าวโซเล็กโารับข่าวในหนันสขขงสือกอพื้นพิมนี่ตังต่ขาวถูก นี่จะข่าวอนิจจักทุกทังอนตาทั้งนั้นข่าวกข่าวแก่ข่าวเก็บข่าวตายข่าวเอียงเอียงเพราะพันยาพานเรีข่าวเนี่ยมัดข่าวเนี่มาั้ันกับไผ่เนยข่าว่าจาศานี่มันจะข่าวทุกข่าวทุกของทุกปัจจบันโน่ข่าวทุกของสุขข่าวทุกของยะยข่าวทุกของสามีทีสามีทีามทุกอะไร ข้าวทุกของซูเป็ร์เโปโตัวใยญ่ใหญ่ข้าวทุกสิบสามสิบสามโลกเนยข้าวทุกซูเนอร์น่นาวัตวิ่งปันนยังแหวว่างกันตั้งกัมขนลงมากมุยี่วันออกแายว่าว่าปุกกรบ่มีฟักตัออกมันยี่ยงห้อโอ้ยโอ้ยเยี่ยไปร้นอยู่ในปุกเอาบมดออกมุมีข้าว Jessie ทุกซูเปอจ์เโปข้าวทุกเดินทางออกเย ข้าทุกย่ายะตะเกินข้าออกข้าทุกข้าทุกสามีสามีจีบพ่อี่ข้าทุกถึงฟันเลี่ยถึงฟันทุกอย่า ง, างาเนี่เหวังดดว่าจะล้างเครื่องมาฟังเน้่ยว่าทำลายข้อมลงจากของถึงจะทำลายเอ นมัทคนทุกนวตาชงสามสิ่คัญเอยจาของนาดุก่อนเลยโง่จนที่ตายหันโ่ของทานช่วงสำคัญ้อยจากของธาตุเน่ยเดี๋วมันจะพ่าให้อนใจน้ำมันคนทุกนวตาชสมสารน้ำมันคนทุกจากโกรกจากปวดจากหลงจากข้อมีดีนวตาชสมสารแต่สาคัญมากู่นี่เป็นคนสมควรนะสมควรทักษสามาเกิดแก่แก่ตายสมควรสิมเสียน้าตายอีกควรันษิามาูดโลกอีกนะ สมควรทั้งหลวงเนี TF ่ยของห้ยคะแนนจะของเองมันเปนพระธรรมห้ยคะแนนกิเลให้ยคะแนนมันจบกิเลสคะแนนกิเลสละสมควนแลยที่จะมาทำมาันึ่งสาวเถาะว่ามันยากนิ้กับ่มันสั่นเพ้าะว่น้าเนี้ครักษาเส้นแปลเนี่ยโอ้ยหิวเข่าสั่นมันยากนี้หนึมัน พี่จะน่าทานั่งภาวนาเล้ครับสิโอยเราสมควรเลยเว่าะฉะน้ที่เด็ดจะเป็นภาวนาบนธรรมะนี่ว่าทีให้ท่านนั้ศึกาชินภาวานาว่าทีให้ท่านเขาไม่หักฟักแ่นึงสิมาออยกินที่่านบุญอยู่น้องเพราะว่าอันนี้คือเป็นแ่บใเพราะว่าที <laughs> ่เ็ด <laughs> ตัวก็ถือเสื้ีตันนนวนีนี่นนาาวดดรรงง่าต้องถือไปบินถบาดสมัยนั้นมันไ่เคยได้ถือถุดงยังเข่งขัดเขามาวัดแต่บวชนี่น้ลงปู่มานำข่าวภาษามาเขามาวัดแต่บรับ่มีโลกตลมลงถึงจะเฮาจะฟุ้งอะไรนี่แหละ เอาสมนีมันสบายโทดต้องตกลกมหงมีร้ายโปดนี่นี่นเอามาตั้งเทวดาครบคดูกลุ่มลูกมันดู ก, กับ่ลูกูมมหาตะคุบแบบนี้ะหรอมาเทวดาดินเทวดาได้ทะเลาเลี้ยงมึงแล้วงจะนาบังพ่อขานยังให้เขาเจ๊เทวดาถือัลงมาสักหนึ่งทางเรียงที่เหล กิมันางคืข้อใช่ไหมมันยงสงเสีอย่ก็หรนะพู่นะเขาครับเาเียวกับบมี่อันนี้เขแห้งหอันห้ฝาวพขปดก็ห้องปดนะละพระูองจ้าาเนาะเงี้ยวผ้ว่าอาจารย์เพระพุทธธมพระสง์อันนู้นเ้องาองค์เจามัน้องเอาเนาะแล้ว จะดดตาา้อนสะดวกเพราะเขาเพราะว่าทานว่าอะไข้าน้อมปอนกองมึงเประเทศเขามาแท้งยาทำท่าว่าขึ้นยากว่าถึ้ะทางา ว, า ว, ว, ว่าว่มันคือฝนคือเดี๋ยวก็บาดอยู่ว่ายาทำแล้หายมาหายท่านอ้วนครับท่านอ้วนได้แล่นจะพัด อันก้อนขนมอันนี้โตลอางหอานาลยเคื่อด้วยจะกินนะก้เอาเอาสดาสัมเนยผมแสดว่าทางหลวงผู้ฝันมีจักฮันดูมากหลวงผู้ฟันอาวัเทศมู้ว่าทางนั้นเนี่ยนี่ปัญญาทำไรจะฟ้องมาหลวงผู้ฝันอาว่าเทศมู้เร็เท่าสุหนึ่งจะมาตายจะลเดียนผมพัดไปเรองหลวงผู้ฝันดูก่อน โต้ตายน้วมโหสถศาสนาบ่าขาดทุนโตตายน้มันอื่นขาดทุนสายชีวันกตัญญูสไยชีวันกตัญญูอยู่ทุกใจเบอคือพระธรรมเจดีย์ริบเบอก์เือร์พวกิดชิเอรเกิดเราไม่เคยเห็ มีแตสมสัครวารับที่อื่นสื ส, ส, ส, ส, ส, ส ouais okay. ร้า ง, นะงสืสอนกันยังไงเนสืสร้างสืสอนกันยังไงเนาะแต่จังหวะพอพุทธเจ้าสร้างสอนเต็มใปโรคกรัทำขแหงนเนี่ี่เอาข้อมือไใช่เอีสี่มาตั้งปุไว้่เอีเขาวางกันเนาะเรื่องศิสป์หาขนามันก็แตงบมผลดโรคท้งว่าจะตั้งายแล้วนี้ร้ายตลอดพิธยเขามาอ่านมันที่แตกที่นักตาบปฏิบัติตามนาตาท่า น, า น, า น, น o, ามากตาทะเนว่า หน้าถนนหน้าถนนเอะเนี่ถ่ายหัวของดอกมันอยู่แนาหัวใจนี่มาจากคมพี่นั่นมาจากคำพี่นี่สนับสนองก็มาจากคมพี่หัวใจก็มาจากคำพี่อะไรพวกอยู่ครบัวก็งเรหลงมันยัดก็บะเกียบมันจะลุกในห้องบอกว่านี่เดืดขึ้นาจะเกรดขึ้นผวโจะับพวกเ้าของมันตายกับเรา พุจาันนี้เนาเนยผช่าก็เอนยุ่งนี้เนี่้าน่ยอมมกยดนย่เมื่องมม่เกลียดถนมได้มาเกิดแก่เจ็บไกยิ่เมื่อไกลแต่ผมมีวรย่างมาที่สติบเพรกิเลทีอย่างสนี้ผมมีวรามา่สติ่เหลือสายนหลอกบันไหนจากบอเนีมันกบมีเว่าง่สตสตีเนจุเปาะยุ่ันไหสิไม่ยุ่เกาะเนีนกกำลังเล่นมันวัดกับ มันมีมันมีริ่งชักมีไล่ท่านได้เห็นมันมัดอะไรแโลกภาพมันออกนี่ออกไล่มาทาได้เห็นมันมดเหรเรื่องตาเรื่องหูเรื่อมูเรื่องนเรื่องกายเรื่องใจองสิผจับมันมดเหรมันก็มีมันติดเพ่คนหน่ะท่านบอกท่นนมหลงพันาบ้าเหรอพระสติพระปัญญาของนเป็นพระสติในโลกุตตรลสติเ็นพระปัญญาในโลกุตรละปัญญาเลยบมันโลกีเดช มันสุยสฟาก็เห็กูที่ปันสามปวัากมึงหนึ่งกูสองาสั่งมันมันเป็นในส่ว่าเป็นเบือเหือนไนวัดตาสงสารนีนน่คนถือห้ามจังเบือน่คนเห็นว่าโมบายเตียน้พอบนเจือเบอนี่เห็นแจะฟ้องเลยว่ผู้ยื่นมาเห็นนายอ่ะตอนนี้ผู้ื่นเห็นไายเขม่แย่อก เขาจมาตัวอะไรมันเห็นการตเหรอแมีตกอนทุก่งาไมงาเป็นุกเอานยังองยังสามยังสมานี่เอามาอะไรงู้กูไดมาอวดพวกคุณูอมีผู้ใดอวดเด้อพวกข่าเราเป็นชุกมาแต่ยได้ท่องว่าสนบอกอ๋ยินดกมังรู้อ๋อต้องตันึงกระละนตอ ใส่ระคอพ่นจะทอลูกป๊อปเนี่ยทองเป็นชุกมัแต่พ่นบมดนั่นแต่ว่ า, าเป็นชุออกมาสมมุติเยกันในห้แห้งสัง่งนั่งสมมุติว่าเฮยเยออกมาถ้าการแห้งให้งออกมาแต่เราเป็เุกมัแต่ในฟอ ง, งนั่น ลูกก็พา่าก็สาร้างลูกเศษฉีกตาออกมาบาก็ไฮวัดแม่นบม้โอ้ย ก, อกูเกิดยี่พอีแม่กูอันเป็นเศษฉีกันยิบมาของแมน่นหม้อไฮกันตัวนั่นบมมุงมเห็นไหมเหรเห็นทุกไนว่ตาตาสองสามมันคือ มันกับมหาไนี่เห็นหลายพวกไหนเออเห็นทุกในวาระสงครา ม, ามย่างเสร็ทีเมื่อเคเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นตระหน่ายย่างสร็ทีคือต่างเงี้ยการเลี่ยมใช้พระพุทธเจ้าออย่างเสร็จทีการทมประสงค์ย่างสร็ทีกันล่งมนีเอ่ยของเก่าเนี่ย ห, หลอกลามันก็เคือไล่ตัวหวยแล้ว่าพระทูกอัด ดังไงผมก็ถนอมวันี่ครวดบอกดังเปลี่ยนอเดียบทเหมือนกินอีกขี่อีกเี๋ยวเพืนปัดสวะสามเสอยีเสียเออเขาว่าอะบร่สุดต้องเสร็จมันดี มันก็คือจะนุ่งนแะลุ่งวาสุดก็แ ล, ลยอยเง้ยถัมาแล้วบอ่อเดีเ้ยบวเน้ยน้ำน้ำไปแยกาถพายอยู่ด้น่ะนี่จะก่อนทุก้านนะ่ะเขาปัดกันนะ่ะท่ายไม่จะออกฝืดสันจิแคบแขวน่ะนี่ถ้ามาเทสชนานี่จะอาจารย์เมี้ยนะงาไปสิจะพุ่งเข้าเขาอาจารย์นี่กระดายเนะทปจะฟังเสูงเหมือนเสงเหือนนึกได้ก็จะคุณนติเชื่อในว่าต้สาสงคาม การบินทบาทเากเลยแง่ก้นสู้กันหมตอนตีถึงก็ ง, ง้ายนั่นเจ้าสิรักวาตทุกรือว่ารักกษริย์เ่ยทุกครั้งอะไรสัจอ่งมเป็นของจริงอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ตามเป็นจริงเนีอว่าให้สอนให้โสดให้เศร้าเลยสอนให้รู้ตามเป็นจริงเสอนให้รู้ตามเป็นจริงทีนี้นายหลงเจ้าของตามเป็นจริงทุกทลงมาว่าแค่นี้นเลย ก้อนว่าโตวัดวัดวัดวัดทุกอีทีโตเพราะว่าอ้ยตีตัวไม่ต้นไม่ตัวไม่เล่าไม่เขาเรื่อหนทันใดทันหนาเน่ยมันจะไปถูกเงินแล้วมจะเอาผิดออกซะว่ามันว่ามัเล่ามันเขาว่มันทมันมันกคนใครมันไปถูกกับสังขารเนี่ยนะมันไปถูกไปสั่หมอไปยังนรว่าเล่าว่าเขาว่าสารวุฒคนไปอีกเนีนยดึงอีกแล้วนั่น เช่นเดีวัว่าเา ว, าเาวา่าาอั บ, บุคนกกนบบคนาบเรอย่างเวมุกม่มแนวรบออกทามองแต่ตกเขียนอ่านเท่านงต้องรอากกอนนองรบนะอก น, นีเห็นโทษทั้ทงเขียนทั้งบถึงตัวเโทษทั้งเกิดทั้งตายไรก็มงเมเข้ามาซาตีพิทุ ข, ขาบาทเดียวทน มันนี่ฮอดพมมมโลกมันทะลุหอดแผ่นดินมันถือหอดมดหอดแม่งเขาพอฟั ง, ม, นน ง, งนนมันกระถือไยอเงี้ยบอกนะเขาโมยทั้งยียามมา่โดยเนี่ยยังกระถือบัดเดี๋ยวิาว่าเดี่ยแบบใชกของยาว ถาทีมีลุกค้าบาทเดียวเท่านั้นเอาคนมบ้านเามันถือลุงนาวัดกันลูกผู้ปู่ปีกอตมีเป่าง้องสิงเท้วัดเท้าดาพยินพมผู้ยอมบุกการเชิดตระลกขบานทังเที่ยวหมดมันถือลูกนาลูกนั่นมั้ลหรอถ้าทีมีลูกค้าบัเดียวท่านั้นเอาอันเช้านาพญาทิมันนั่มพว่ำโศความเสาว่ตังอ่ะหอโ้ทสาวก็พอละเอันนี้มันพลาดมากมากเลเป็นพลาดนะ พอพบพ้าดเลยครับนี่การมาพบลูกพอพบเอารูปพอพบพลาดเลครับเอันไหนพลาดเป็นพบต่างหาความทียดทยายนพ้าเป็นพบอันนี้พ้าเป็นต่างหาว่าไงเพราะเวทนาสามทุกทุกเวทนาทุกทุกอุเบกขาเวทเวเวทนาทุก ถ้าให้เป ja ็นปัญหาพ่อใส่ยายาเนี่ยท่านเามาจากสายสมมาจากพัดษาพัะษาไหมยังพัดษาก็คือจักคูสัมปัตตนเงี้ยไก่ยาสัมปัตติจักูสัมปัตติตตาสัมปัตติข้าวสัมปัตติเชื่อว่าสัมปัตกยาสัมปัมาจากพัษาองตากระดลูกหมูจะฟังเสียงอันมันมวนตากระชดลูกก็งามหมูกระชดเสียงอันมันมวน กินมันก็พ บ, บจมูกอันหอ ม, มมันเป็นพัชสาขาว่ามันจะสวยเวียหนามันจสวยตัญห้ามันจสวยอุปราชกำพบสัตย์เล่ามาล ะ, ล ะ, ละลปปรสใบเตยตุ้มโตะเนี่ยทุกฝ่ายอยากเห็นรอกองทุกทั้งหลายเกิดขึ้นจากอันนี้สิปฏิบัติปฏิบัติอันนี้เห็นหอ ง, งามาพบขโอขะโอขะคือกามพระโอขะโอขะคือพบทิโขขะโอะคือทิถิว่เหมืนผิด อวิชโชคะโอคะคืออวิชชาคือบารูท่าตาหงษสมองเลี่อนกายใจเดี๋ยวว่าอวิชชาคือบารูท่าอดีตอนาคตคือบารูท่าดินน้ำอยร่องคือบารูทอาเกิดแก่เจ็บตายเดียวว่าอวิชชาประมาณนี้คือพวงูครูทอดเรยกว่าวิชชาคนะสัมปัโนคือไปฆาสุขโตหรือไปโรคเขาไปทุ่ผู้โรคแกลงโรคประมาณลูกแกลงโรคคือลูกแกล้ทุกข์เพราะโรคมันเต็มไปด้วยความทุกข์คารูแก้งทุกข์มันเรียกว่าลูกแกล้งโรคหรือว่าไหนสั่ ดิไปเทีย่ยวเมื่อนตาบี่เครื่องินไปต้ประเทศญี่ปุ่นประเทศฟรังเศษประเทศรัง เ, ศ, เศนี้ไปต้นแ ห, า ห, าหาา้าหอดรถไก็ไปจบทังสันนี้ว่าสูกแจงโลกเน่หมสัสพอยู่เห็นอันนี้จังกรลูกแจงโลกเห็นทุกกรลูกแจงโลกขึกันเห็นข้มอันนี้กรลูกแจงโลกมหัหเห็นขม้มโวยดีนโล ก, กลูกแจงโลกขึ้นกัน สิ hand, so twitch, ่งย so ินดีนะเป็นอะไรมีตะกรอนทุกต่างออกเกิดก็ไม่ได้ทุกแกเขาไม่ได้ทุกเจ็บก็ไม่ได้ทุกตายเขไม่ได้ทุกกินเขไม่ได้ทุกขี่เขาไม่ได้ทุกนะว่าถ้าพัดทุกถ้าควงถ้าพัทุกขาเนี่ยสาธารณะเนี่ยผ้านะเนี่ยข้าพเจ้าออกบวก็แื่สถพ้นถ้าประทุกไปเพื่อเสถีความในความสัจฉิกะรนขาาตะสัมหามีกีริยมกักบอกทุกข้าพเจ้า เอาตาเนี่ยข า, ายาใเนวัชานี่นะให้ครอบผู้ขาขอบผาเรียว่าท่าบราล์บวชบวชถุเ ม, มือ่อสะพัุขาบวบวบวชบบบริวายิสะหังพันเจตุีราปารีมพุทธดำสินังก็ได้ควบพุทธดอเยรเสือให้เป็นพันยภาพมังควันจางเช่นนััช้ามก็เสือบวชพันยภาพนี้ต่อ หลวงปู่มันหลวงเก็บวดว ด, ด, ว ด, วดเธ <c oughs> อเนนไวดแก้บาแก้นบวัดพ่อเกนิสสายว่ากันเทิดแต่ร่าตั้งอะไว่อเายแก้บาปวดพ่อเก น, นิสสบยวดเรียกชื่อบวพ่วดวเ็ัียไวัดเพื่อคนทุกข์นะวัดตาทองสารในอนาคตตการนั่น มันนกายุบวดเพื่อปุถุกในวะธาตงสานะปัจจุดบรราุสัจอาจารยนจเป็นบาลันมิยสิกะบวชกายบวชใจใจขบวชกายขบวชมันคือว่าเนี่ยใจโลภธาตนี่มันนำลายพระพุทธเจ้านำรายพระอรหันต์ทมทิมเมตเดแลยวมิจะเข้ามาย่านกันเลขันเท่าถือไปยังสังวมัน ปัญหามันเขาบ้านร้ายไอนนี้เนี่ยเขามาถึงอัสั้นที่ข้ปัญหามัานสือ้ายยืนแค่สยอยะแค่แพ้่พรื่งแค่สีอยอ่ะแค่แพ้แต่รื่องยืน่านพเขาสูพ้พลากอนไม่พูดย่านจะกนแ น, กน่นบ่เนืออเนื้อย่านดเขาสูพเนีาพาดก่ไม่พูดย่ า, ยานจะก้น เ, เนี่ ย, น ย, น ย, เ, ยเนี่ยมิจิยานวัดตัวบ้าไรร้ายไรเนี่ย ยาไ่ได้เกิดรายยาไ่ได้ตายรายยาบร่บรได้กินร้ายยาไม่ได้ีร้ายไรอย่างเี้ยจย่ถึงทังทองเที่ยวในวัตาทังสามคุณต้องมุ่งใจถึงขั้งสิษยนะข้อมหลวงจะของ ท, งทั้งสืบด้านาย้องหลงจะของวางนั่นอบรมในพระคุณพระธรรมพระสงฆ์อบรมพระไรแห้งคิตใจแห้งสะอา ด, อ, าดออก อบมในทางโลกทางสงสารใไดแข่งนักเขานักนาท่ทิลาหาดนวลรุกปืนทั้งเวซาอาคมชีดาเงินมาเงสั version, bright, ่งชีด <c oughs> ้ยะตางมาเงี่เออชีดาดงนั่ชีด้ยอดเงสี่แข่งนักนาทิทิล่าหนลเรียกว่าบุปดเล่ยพี่ผลใสผลใสผไปเ่ไรพี่ไหนจะพะโล่เอาเงินหนมึงเอาวาสั่หมอนึงเงินเนี่ย เออมึงแบกเลยทนายเาได้เอาบักนึงแบกเ็ดเลี้ยรั่งตายค่ากันอะไรสท่คพอว่าเสียว่าเียเอาอรไปได้จัดดใส่งดใส่ตายข้ากันอสั่เอาสกตาหนุนอะไรั่ไปว่ได้ได้ตายสำวสั่ครับพ่อจะพ้อที่เดผ้าตายเนีย วชพราะเป็นชิดเป็นเสียงบวชพระปียนซือบวชก็ม่เกรตนาเกตรติน้าผัวงผลทุกแนววาระสงสารโดยดวนในปัจจุบันกิจปัจจุบันนัมทนะปัจจุบันนาศาสตรเกรตน้าที่มันสูงแล้วเจ้าไปว่าแผนเดือนเบือนผู้ ย, ยังสัตว์มึงรู้ความันตีขึ้นเก่าอีทางนะตีขึ้นอยู่ในตัวมันเออเจ้าปลว่าแผนเดือนเบือนผู้ ย, ยังสัตวมึงรู้มันเจ้าเชื่อพรไวยว ของ่ า, า, าวนวะของบาล้ีเขาเหนือ้อโตเลยอะเขาหวังสิออกจากวัดตาสงสารเนี่ยปัจจุบันไมิตปัจจุบันนท่านวะโตเป็นยังเป็นแน่กขาปั่นให้เขาโยในให้ดำติดเชิงนาพากับคองตังออกพระเจษพระตายนี่พระรามพรบเจษตายเยพื่อเพื่อด้การวั่นเทศ ขนรดแล่นไปเนี่ยเพ่นทำ้ทาเป็นคนเคยอยู่ในเมืองนาสั่นเพื่อนมาจากหลีกเ้ว่ยนเพื่นอยู่ใกล้ๆนั่นทั้ทาเป็นคนเคยทั้ทาเป็นคนรวดตื่นรวดถ่วงทั้งทาเป็นคนบ้านนอกนะสั่นนั่นเพกจั๊กบานจ่ายเลยสั่นบริการว่าเนี่อันนี้ก็คือกันไงแค่เดียวกันละจักบ้านจายนี่ก็ได้จมวจักมันเกิดบ่านจายวันนี้วันจ้าวสงสารเนี่ยกองผู้ตัวนึ่ นับจะพบมรโลกลงมากเยนี่หละคุกคุกหน้ามนุษย์โลกเลยนี่คุกในเมืองผีบุนจะถูกเป่าออกัปนแห้ง่ตัวนี้ฮะเนี่ยหม่อใต้นี้ก็ออนเท่าไรแต่ม้อเราพกในเมืองคนในเมืองสวรรค์ในพบมารโลกกับพอแห้งแหละฝันยังมาถามอยนล่นพันมอราพกันมี้อเราฝรั่งหรือเป่า กรตพูดถามมับ่เราหกกระต๊กว่เราหกดวสิมารถถามิดสังขารยังมีพษสังขหอ้องจะพูดตอบผมพู้ตบว่เราหกดวงกัูดถาผพูตบว่าเราหกดวงกบถามตบว่าราหกเปดแจ้ต่ายนี่ยากมากเรเขาคนเี้าเือบว่าผู้ถามขไถามกับพู้ถามขาไมตรงวาถามผู้ตอบเขาไม่ตองไม่ตรงว่าเขตอบและที่ถามยงไม่ผ่านามกันวเดียว